Thank you. สิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมไม่มีใครหนีพ้นโลกธรรมนะก็มีการจําแนกเป็น8ปดนะโลกธรรมไฟบวกก็ได้แก่ลาบยศสารเสริญสุขโลกธรรมไฟลบก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาระทุกว่าเฉพาะสารเสริญเนี่ยกับนินทาเนี่ยนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดมากว่าไม่ว่าเป็นใครก็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 คนในกรุงสวรรค์นี่ก็รู้จักพระองค์ดีแต่พอมีการกระพือข่าวลือว่าพระองค์นะรอบข่าขผู้หญิงหลังจากที่เสพสมแล้วนะคนในกรุงสวรรค์ก็เชื่อนะพากันกลดา่าไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้านะก็ประนามาภาษาของพระองค์จนกระทั่งต้องงดบิณฑบาตนะบิณฑบาตไม่ได้นะ ผูชนมาผู้คนนี่หูเบามากนะทั้งที่พระองค์เนี่ยก็สอนชาวสาวัถีมาเป็นเวลาหลายปยีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าผู้คนเนี่ยนะบางครั้งก็หูเบามากนะขณะผู้จ้านี่ทำความดีให้กับเขามานานนะไม่มีอะไรดังพร้อยเนี่ยพอมีเรื่องอย่างนี้ขา่าวแบบนี้คนก็เชื่อกัน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 สายรับที่พระเจ้าเปรตที่โกศล ส, ส่งไปได้ยินนะก็มาเล่าให้พระเจ้าเปรตทิ่โกศลฟังกรมก็เลยเรียกนะสั่งจับนะคนกลุ่มนั้นแล้วก็มาเคลียรความจริงในสุดความจริงก็เปิดเผยต่อความจริงเปิดเผยนี่คนสาวัถีก็โอ้ต่างพลิกนะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยโอสารเสริญผู้เจ้าเป็นการใหญ่ผู้เจ้านี่ว่าเป็นผู้ประเสริฐ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 ในด้านนึงก็คงพอพระองค์เนี่ยทรงจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวนะในโลกธรรมใครก็าจะดา่าเขาก็จะว่าอะไรพระองค์ก็เฉยนะไม่ได้ทุกร้อนอะไรนั่นก็คงทรงเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานะแต่คิดว่ามีเหตุผลประการหนึ่งนะก็คือพระองค์คงตระหนักว่าในภาวะเช่นนั้นเนี่ยพูดไปก็คงไม่มีใครฟัง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 ทำท้องแล้วไม่รับนะว่าสารพัดด่าเสียหายเลยท่านก็ฟัง เ, ยเฉยๆแล้วก็พูดแต่เพียงแค่ว่าอ๋อยังงั้นเหรอ <c oughs> เมื่อเวลาหลังจากผ่านไปไม่กี่เดือนนางหญิงสาวคลอดลูกนะแม่พ่อของหญิงสาวก็เอาเด็กมาให้ท่านอากุลฮากูอินเลี้ยงท่านก็ไม่ว่าอะไรนะท่านก็เลี้ยงดูเด็กนะคั้งที่เลี้ยงไม่เป็นต้อง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 พอถึงคราที่เขาชมก็ไม่ได้ปรับปรึมหลงไหลก็พูดแค่เพียงว่าอย่างนั้นหรือแต่ก็มีประเด็นให้ใ ห, ให้ให้น่าคิดนะว่าทำไมท่านไม่ในเมื่อท่านไม่ได้ทำอย่างที่เขากล่าวหาทาไมถึงไม่กล่าวไม่อธิบายไม่พูดก็คงเป็นเหตุผลเดียวกับที่พระเจ้าอย่างนิ่งเงียบนะก็คือพระองค์ก็คือท่านอากุเห็นว่านะคนที่โกรธนะคนที่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 มีความโกรธนะมีความเกลียดหรือว่ามีความเข้าใจผิดเนี่ยชนิดที่เรียกว่าลุ่มหลงไปกับความคิดแบบนั้นเนี่ยการพูดการอธิบายเนี่ยหรือการชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยบ่อยครั้งก็ไม่มีประโยชน์นะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะพยายามอธิบายพยายามพูด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 มันจะทนไม่ได้มันต้องพยายามที่จะพูดพยายามชี้แจงนะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูดีในสายตาคนอื่นซึ่งในความจริงมันเป็นไปไม่ไดนะ้มันก็ต้องมีคนที่มองเราในทางลบหรือไม่เข้าใจเราอยู่บันยังค่าพระเจ้าเนี่ยพระองค์เข้าใจเรื่องนี้ดีนะก็เลยนอกจากจะไม่หวั่นไหวแล้วเนี่ยกับเสียงใส่ล้ายนินทาแล้วก็ยัง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 ซึ่ง น, นั้นก็ยิ่งทําให้เสียท่านะให้กับอารมณ์เหล่านั้นมากขึ้นทําให้ความโกรธนี่มันมีอายุยืนยาวมากขึ้นคนส่วนใหญ่เวลาจะไปต่อสู้กับความโกรธเนี่ยกับเป็นการต่ อ, อยุ่ให้มันนะวิธีที่ดีกว่าคืออยู่เฉยๆนะดูมันเฉยๆเนี่ยรู้ซื่อๆเนี่ยนะไม่ต้องไปต่อล้อยต่อเทียงกับมันแค่วางใจเป็นอุบเบกขา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 ปรับความเข้าใจของเขาให้มันให้เข้าใจถูกซึ่งในบางกรณีก็ยิ่งทําไปก็ยิ่งเกิดความเสียหายจริงอยู่การชี้แจงการอธิบายมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทนะํานั่นแต่ว่าก็ต้องรู้จังหวะในบางช่วงก็ต้องเงียบไว้นะอย่างท่านอย่างผู้เจ้าหรืออย่างท่านฮาโกอินนี่ท่า น, านทาน่านรู้จักธรรมชาติมนุษย์ดีก็เลยคิดว่าเงียบดีกว่าหรืออย่างมากก็พูดเค็งเพียงแค่ว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอ พูดมาไปกนนั้นเขาจะโกรธเขาจะดา่าเขาจะยิ่งอ่ยิ่งขับแค้นใจมากขึ้นหรือยิ่งเป็นศัตรูมากขึ้นการอยู่เฉยเฉยการรู้ซื่อเนี่ยนะนมันเป็นวิธีการที่เราต้องนะฝึกนะต้องรู้จักเอามาใช้แล้วมันก็เป็นการปฏิบัติทำอย่างดีด้วยนะคำเดียวเพื่อท่านนี้กรับ